2. องภาวะคะภวคะว ค, คือความยินดีพอใจและความอยากเป็นรูปประพร์และอารูปประพรมและรวมถึงการติดยึดกับอปปมานาฌานอันทำให้ไปเกิดบนพร ม, มโลกได้พระผู้มีพระภาคเจ้าตัดไว้ในสมาธิสูตรดังนี้สมาทิงพิกเวภาเวทะ สมาหิตโตพิคเวพิคขุยะถาภูตังปชานาติดูก่อนพิสุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเจริญสมาธิพิสุผู้มีใจตั้งมั่นแล้วย่อมรู้ตามความเป็นจริงพระอาจารย์ใหญ่พระอวตอยะอัคระมหากรัรมมัฏฐานาจริยะวัดพระอวตอยะเมืองเมะระเมีมยง นัดมอนเมียนมาได้ปฏิบัติทั้งสมาถากรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานโดยเจริญตามพระพุทธธรรมคําสอนอย่างถูกต้องด้วยการค้นคว้าจากพระไตรปิฎกและได้สอนกรรมฐานแก่บรรพชิตและอุบาสกอุบาสิกาทั้งชาวเมียนมาและน า, นานาชาติโดยสอนตามลําดับอย่างละเอียดตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นสูงสุด เริ่มจากการเจริญอาณาปานาสติเมื่อจิตตั้งมั่นอย่างแน่วแน่ที่ปฏิภาคนิมิตจึงจะเรียกว่ามีใจตั้งมั่นเป็นสมาธิจนได้บรรลุปฐมฌานจนถือจตุทะฌานสมาธิเมื่อใจตั้งมั่นเป็นสมาธิแล้วจะเจริญสมถะอื่นในกรรมฐานสสิก็ทำได้โดยง่ายหรือจะเจริญวิปัสสนากรรมฐานก็ได้ เพราะการเจริญสมาธิทําให้รู้เห็นปรมัทัศั์จะของรูปและนามตามความเป็นจริงตามพระพุทธวจนะที่ว่าผู้มีใจตั้งมั่นแล้วย่อมรู้ตามความเป็นจริงการสอนวิปัสสนากรรมฐานที่พระอัตอยะเริ่มสอนจากการเจริญจะตุธาตกรรมฐานเพื่อให้ผู้ปฏิบัติรู้เห็นรูปปรมัตท ทั้งหมดตามความเป็นจริงเมื่อผู้ปฏิบัติสามารถกำหนดรู้สภาวะลักษณะของธาตุทั้งสีดินน้าไฟและลมด้วยยานโดยลำดับจนเห็นชัดตลอดทั่วทั้งกายจนสมาธิแก่กล้าขึ้นแล้วก็จะเห็นทั้งกายนี้เปล่งแสงแรกเห็นมักเป็นแสงสีเทาเมื่อกำหนดรู้สภาวะลักษณะธาตุสี่ ได้ติดต่อต่อเนื่องแสงก็จะเปลี่ยนจากสีเทาเป็นสีขาวและก็จะสว่างมากขึ้นมากขึ้นจนในที่สุดทั่วทั้งกายจะปรากฏดังร่างเรืองแสงสว่างเมื่อปฏิบัตต่อไปก็จะเห็นแสงนี้แตกออกเป็นอนูจิ๋วๆที่เรียกว่ารูปกระราเมื่อผู้ปฏิบัติสามารถกำหนดรู้ท่าสี่ หรือมหาภูตรูปและอุปาทายรูปคือรูปที่เกิดสืบเนื่องจากมหาภูตรูปมียี่สิบสี่ที่ปรากฏ8 9 10 11 12 13ชนิดในแต่ละรูปกระาบแตกต่างกันไปตามแต่สมุดฐานซึ่งเป็นปรมาถสัจจะของรูปในร่างกาย เมื่อผู้ปฏิบัติสามารถกาหนดรู้ธาตุสี่จนถึงระดับปรมตถารูปภายในกายได้แล้วก็ต้องกาหนดรู้ปรมัตถารูปภายนอกกายทั้งสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตเช่นเดียวกันจนกว่าจะเห็นว่ามีแต่รูปกระราบที่เกิดดับอย่างรวดเร็วถึงตอนนี้ผู้ปฏิบัติก็จะไม่เห็นว่าเป็นชายหญิงต้นไม้ หรือเป็นรูปสมมุติใดๆจะเห็นว่าเป็นแต่เพียงรูปกระราบที่เกิดดับอย่างรวดเร็วนี่คือการเห็นรูปตามความเป็นจริงดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสสอนลำดับต่อไปจึงจะสอนให้ผู้ปฏิบัติได้กำหนดวิเคราะห์นามปรมัติต์คือจิตธรรมชาติที่รู้อารมณ์มี89พิสดารเป็น121 และเจตสิก ค, คือทรรมที่ประกอบกับจิตเช่นความโลภความโกรธความหลงศรัทธาเมตาตาสติปัญญาเป็นต้นมี52ออย่างจนกว่าจะเห็นด้วยญาณทั้งภายในและภายนอกว่าจิตและเจตสิกเกิดดับอย่างรวดเร็วเป็นขณะขณะติดต่อกันในแต่ละวิถี เป็นปรากฏการณ์การเกิดดับที่รวดเร็วมากเมื่อผู้ปฏิบัติได้รู้และเห็นรูปนามปรมัติ์พร้อมทั้งเหตุปัจใจทั้งภายในและภายนอกตามความเป็นจริงว่ามีแต่การเกิดดับอย่างรวดเร็วไม่หยุดยัง้งก็มักจะรายงานความรู้สึกแก่พระอาจารย์ว่าชีวิตเป็นทุกข์จริงๆไม่อยากเกิดอีกแล้วไม่ว่าในภพภูมิใดๆ บางครั้งอัตมาก็ถามว่าถ้าเธอยังไม่อาจทำที่สุดแห่งทุกได้ในปัจจุบันชาตินี้ถ้าต้องเกิดอีกอยากไปเกิดที่ใดหรือก็มักได้รับคำตอบว่าอยากไปเกิดเป็นรูปประพมเขาคิดว่าการเป็นรูปประพรมจะเป็นทุกน้อยลงไปมากเพราะรูปประพมมีประสาตตา เพื่อให้เห็นพระพุทธเจ้ามีประสาทหูเพื่อได้ฟังพระธรรมเทศนาแต่ไม่มีประสาทจมูกประสาทลินประสาทกายไม่มีเพศ ช, ชายไม่มีเพศหญิงจึงหมายความว่ารูปประพรมปราศจากความทยานอยากและกำนัดยินดีในการดมกลิ่นการลิ้มรสการถูกต้องสัมผัสกายการด่าทอ การนินทาความตะนี่ความอิดชาหึงหวงซึ่งตรงกันข้ามกับในเทวโลกและโลกมนุษย์ที่ต้องทนทุกข์ทเวศให้ถูกแผดเผาจากความต้องการอันไม่สิ้นสุดเพราะการติดยึดในการมาสุขเหล่านี้ผู้ปฏิบัติที่ฉลาดผู้เกิดความสังเวชคือรู้สึกสรลดใจที่ทำให้คิดได้ ทำให้จิตหันมา น, นึกถึงสิ่งที่ดีงามเกิดความไม่ประมาทเพียรพยายามทาสิ่งที่เป็นกุศลต่อไปและได้ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดจากการมีประสาทรับรู้ทางกามทั้งห้านี้ถ้าผู้ปฏิบัติท่านนั้นได้ฝึกวสีของปฐมฌานจนชำนาญคล่องแคล่วข้ า, ขาปฐมฌานเมื่อใดก็ได้ตามที่ต้องการ และสามารถเข้าปฐมฌานได้ในเวลาใกล้ตายและตั้งมั่นอยู่ในปฐมฌานได้จนถึงจุติจิตเขาก็จะได้ไปเกิดบนพรมโรคระดับปฐมฌานภูมิทันทีชานอื่นก็เป็นในทำนองเดียวกันสรุปว่าพะโวคะคือความปรารถนาในพรมโรคอยากเป็นรูปประพงศ์อรูปประพง์ และความติดใจในอารมณ์แห่งรูปประฌานหรืออรูปประฌานจึงทำให้สัพสัตถ์ถูกพัดวนจมอยู่ในกระแสแห่งรู ป, ปรพบอรู ป, ปรพบยากที่จะข้ามพ้นได้สทิฏโถคะพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงในทีฆานิกายพระมัชชารสูตรว่า การยึดมั่นถือมั่นกับความเห็นผิดในรูปนามขันห้าว่าเป็นบุคคลตัวตนเราเขาเรียกว่ามิชฉาทิฏฐิหรือทิฏฐิมี62ซึ่งความเห็นผิดที่สำคัญยิ่งที่เราจำเป็นต้องละเป็นเบื้องแรกก็คือสักยะทิฏฐิสันโตกาโยสักกาโย ความเห็นผิดยึดมั่นถือมั่นในขันห้าว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเรียกว่าสักยทิจิการยึดมั่นถือมั่นเช่นนี้ทำให้เราทำสิ่งต่างๆเพื่อตนและพวกพ้องของตนไม่ว่าทางกายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมและมักทอาอกุศลมากกว่ากุศล เมื่อตนหรือพวกพ้องยังไม่ถูกข่มขู่รังแกไม่มีอะไรมาเกี่ยวข้องกับเราเราก็จะรู้สึกเฉยๆแต่เมื่อใดถูกรังแกก็จะลุกเป็นไฟขึ้นมาทันทีเมื่อมีความโลภเกิดขึ้นก็รู้สึกว่าเราโรคเมื่อมีโทสะเกิดขึ้นก็รู้สึกว่าเราโกรธเมื่อมีความหลงเกิดขึ้นก็รู้สึกว่าเราหลง ความเข้าใจเช่นนั้นคือความเห็นผิดสักยทิฏฐิเป็นกิเลสเราทำอะไรตามใจกิเลสโดยไม่รู้ตัวกิเลสติดสอยห้อยตามรูปนามขันห้าเหมือนเงาตามตัวสั่งให้เราทำทุกอย่างตามที่กิเลสต้องการเป็นดังผู้บัญชาการอยู่ภายในหน้าทึ่งที่เราเป็นไปในอำนาจของกิเลสได้อย่างมีความสุข เป็นเพราะการยึดมั่นถือมั่นในตัวตนของเราเราจึงยอมรับการบัญชาการของกิเลสโดยไม่รู้ตัวกลับเข้าใจไปว่าเราทำในสิ่งที่เราชอบเราทำในสิ่งที่เราต้องการเป็นความเห็นผิดที่ไม่น่าให้อภัยการคิดว่าเป็นเราจึงเป็นทุกข์และสร้างกรรมที่ทำให้ไปเกิดในอบายภูมิเป็นเหมือนกับการส่งใบสมัคร เพื่อเผชิญหรือหานท้ากับความทุกข์ใช่ไหมการที่จะระสั ก, กยะทิชิได้จำเป็นต้องปฏิบัติธรรมตามหลักไตรสิกขาอย่างเป็นระบบกล่าวคือหลังจากการเจริญสมาธิจนถึงจตุทะฌานและได้กำหนดรู้รูปนามปรมัติทั้งภายในและภายนอกด้วยยานดีแล้วจึงจะปฏิบัติปฏิจจะสมุบาท เพื่อให้เห็นเหตุปัจจัยและผลที่เกิดขึ้นทั้งในอดีตชาติปัจจุบันและอนาคตทั้งภายในและภายนอกเมื่อได้รู้เห็นเหตุปัจจัยและผลด้วยญาณดีแล้วจึงจะเจริญวิปัสสนากรรมฐานได้โดยการกาหนดรู้พระไตารักคืออนิจจังความไม่เที่ยงทุกขังความเป็นทุกข์และอนัตตาความไม่ใช่ตัวใช่ตน ของรูปนามปารมัติ์พร้อมทั้งเหตุปัจจัยทั้งหมดไม่ว่าจะในอดีตชาติปัจจุบันและอนาคตทั้งภายในและภายนอกด้วยวิธีต่างๆโดยพิสดารจนกระทั่งเมื่อวิปัสสนาญาณแก่ก้าพระอริยมรรคก็จะปรากฏแก่ผู้ปฏิบัติได้เห็นแจ้งพระนิพพานซึ่งเป็นการดับของรูปนามเมื่อพระอริยมรรคปรากฏขึ้น ก็จะประหารกิเลสไปตามลำดับเมื่อได้บรรลุพระโสตาปฏิมักมักอันให้ถึงความเป็นพระโสดาบันเป็นเหตุให้ระสังโยศได้ขาดสาคือสักยะทิชฌิวิจิกิจฉาและสีรับพะตะปามาฏพระโสดาบันท่านรู้แจ้งและเห็นแจ้งการทำงานของกิเลสต่างๆท่านแทงตลอดมิจฉาทิฐิ ไม่ว่าจะเป็นระดับตื้นหรือลึกที่ยึดมั่นกับความเห็นผิดว่าเป็นเราเป็นตัวเราเป็นของเราท่านไม่เห็นความโรคว่าเป็นเราโรคท่านไม่เห็นความโกรธว่าเป็นเราโกรธและท่านไม่อาจทำอกุศลณกรรมอันนำให้ไปเกิดในอภยพูิได้อีกต่อไปไม่ว่าทางกายวาจาใจแต่คนส่วนใหญ่ ยังคงท่วมท้นไปด้วยทิศโถคะจึงจมอยู่ในกระแสแห่งความเห็นผิดเป็นดังหุ่นยนต์ที่ถูกตั้งโปรแกรมไว้เรายังคงซ่องเศษทอาอกุศลกรรม ท, ทั้งทั้งที่เราตั้งใจว่าจะไม่ทำเราไม่ต้องการเปลี่ยนทิชีไม่ต้องการแม้แต่จะทำความเข้าใจในความจริงว่าทำไมเราจึงจำเป็นต้องเปลี่ยนทิชี นี่จึงนำให้ไปเกิดในอบายภูมิซ้ำๆซากๆากการยึดมั่นถือมั่นกับความเห็นผิดในรูปนามขันห้าว่าเป็นเราเป็นตัวเราเป็นของเราทำให้สรรพสัตว์ไม่มีประมาณถูกพัดไปกับกระแสะแห่งทิฏฐิคือทิฏโถคะต้องติดจมอยู่ในวัฏ ต, ตะสงสารยากที่จะข้ามพ้นได้ สคะอวิชช า, วชาคือความไม่รู้ความไม่รู้ในที่นี้ไม่ใช่ไม่รู้สิ่งนั้นสิ่งนี้แต่เป็นการไม่รู้ในอริยสัจสี่คือทุกข์อุปาทานขันห้าเป็นทุกข์ทุกขะสมุทยัยเหตุเกิดทุกข์ทุกขะนิโรธะความดับทุกข์ทุกขะนิโรทคามินีปฏิปทา ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ได้แก่อริยะอัดทังคิกรมรคหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ามชิมาปฏิปทาแปลว่าทางสายกลางเพราะถูกปิดบังไว้ด้วยโมหะคืออวิชชาความจริงในระดับปรมัติคือไม่มีผู้หญิงไม่มีผู้ชายมีแต่รูปปรมัตินามปรมัติ มีเหตุปัจจัยและผลแห่งเหตุปัจจัยนั้นเมื่อยังไม่รู้แจ้งเห็นจริงตามสัจธรรมด้วยตนเองก็จะไม่อาจหลุดพ้นจากอาวิ ช, ชคานี้ได้เมื่อกล่าวโดยสังเขปการเห็นรูปปรมัตนามปรมัตคือการรู้ทุกขสัจจะรูปนามขันหานี้เป็นผลจากเหตุปัจจัยในอดีตชาติเมื่อสามารถรู้เห็น เหตุปัจจัยและผลนั้นด้วยปัญญายานคือการเห็นสมุทัยสัจจะการที่จะรู้แจ้งเห็นจริงในทุกขสัจจะและสมุทัยสัจจะจำต้องปฏิบัติตามมัคมีองค์ดอริยะอัดทางคิ้กมัคซึ่งเป็นมัคสัจจะว่าโดยสังเขตคือศีรศิกขาสมาธิศิกขา และปัญญาสิกขาการที่จะเห็นทุกขสัจจะที่เป็นรูปนามขันห้าและสมุทัยสัจจะที่เป็นเหตุปัจจัยในระดับปรมัถสัจจะจำต้องเจริญสมาธิในขันธสังยุตและสัจจะสังยุตพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสสอนว่าสมาธิงพิขเวภาเวทะสมาหิตโตพิขเวภิก ข, ข ยะถาภูตังปชานาติดูกรพิสุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเจริญสมาธิพิสุผู้มีใจตั้งมั่นแล้วย่อมรู้ตามความเป็นจริงเมื่อได้เห็นพระไตรรักษ์ของรูปนามขันห้าซึ่งเป็นทุกขสัจจะและสมุทัยสัจจะในระดับปรมัติทั้งอดีตอนาคตปัจจุบันภายใน ภายนอกหยากละเอียดซามปราณีตไกลใกล้อย่างท่วนทั่วท่องแท้จนเกิดปัญญาญาณรู้แจ้งเห็นแจ้งผนิพานดับกิเลสและกองทุกข์หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสจึงเรียกว่าเห็นนิโรธสัจจะการรู้ตามความเป็นจริงคือรู้อะไรการรู้ตามความเป็นจริงคือการรู้ทั่วชัด แทงตลอดอริยสัจสี่ว่าคือทุกทุกขสมุทัยทุกขนิโรธและทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาดังที่กล่าวมานี้รูปนามขันห้าซึ่งเป็นทุกขสัจจะถ้ายังไม่ได้เห็นถึงระดับปรามัิอย่างทั่วทั่วก็ยังไม่เรียกว่ารู้ทุกขสัจจะต้องปฏิบัติอย่างไร จึงจะเห็นรูปนามปรม a m a t การปฏิบัติเพื่อให้เห็นรูปปรมัต a โดยสังเขมีดังนี้เริ่มด้วยการเจริญสมาธิที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงสมถกรรมฐาน40่สิเช่นอานาปานาสติจนถึงจตุทชาญเมื่อมีใจตั้งมั่นดีแล้วจึงจะเจริญวิปัสนาในรูปกรรมฐานและนามกรรมฐาน ในการเจริญรูปกรรมฐานพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงาธาตุกรรมฐานทั้งโดยสังเกตและโดยพิสดารในพระอภิธรรมพระพุทธองค์ทรงแสดงรูปปรมัตมมี28ถ้ายังไม่เห็นรูปปรมัตมทั้ง28ก็จะยังไม่ได้บรรลุรู ป, ปะปริคหายานที่วัดพระอ้าตอยะ เมืองเมระเมียงรัดมอนประเทศเมียนมาได้สอนทาากรรมฐานแก่ผู้ปฏิบัติธรรมชาวเมียนมาและนานาชาติมานานแล้วเมื่อผู้ปฏิบัติมีใจตั้งมั่นด้วยสมาธิดีแล้วก็จะสอนให้กำหนดดูสภาวะลักษณะของทาาสี่ในกายคือปัตวีทาตออปูทาต เตโชธาต์และวายโยธาต์โดยเริ่มสอนจากลักษณะที่เห็นได้ง่ายไปตามลำดับจนครบทั้งสิบสองสภาวะลักษณะเมื่อผู้ปฏิบัติได้ดูสภาวะลักษณะของธาตุทั้งสี่โดยทั่วกายซ้ำแล้วซ้ำอีกจนใจตั้งมั่นเป็นสมาธิก็จะเห็นด้วยยานว่ากายปรากฏเป็นดังหมอกควัน ก็ให้ดูธาตุสีต่อไปหมอกควันก็จะกลายเป็นสีขาวขึ้นจากสีขาวก็จะเปลี่ยนเป็นใสเหมือนกระจหรือก้อนแก้วก้อนน้ำแข็งฉะนั้นเมื่อพิจารณาดูช่องว่างในก้อนใสนั้นก้อนใสก็จะแตกออกเป็นรูปกลาบจิ๋วๆที่เห็นได้ด้วยยานผู้ปฏิบัติจะรายงานว่า เห็นรูปกระลาบจิ๋วๆมากมายและเกิดดับอย่างรวดเร็วรูปกระลาบยังไม่ใช่รูปปรมัติต์แต่เป็นรูปบัญญัติหน่วยเล็กที่สุดในรูปกระลาบแต่ละหน่วยประกอบด้วยรูปปรมัติต์อย่างน้อยแปดอย่างคือปัตวีธาตุอาโพธาตุเตโชธาตุวายโยธาตุวันนะสีคันทะกิน รสและโอชาอาหารรูปผู้ปฏิบัติต้องกำหนดดูรูปกราบที่แตกต่างกันตามสมุดฐานในหกทวารและกาย42ส่วนใน11ในคืออดีตอนาคตปัจจุบันภายในภายนอกหยาละเอียดสามประณีไกลใก ล, ใกล้ทั้งสิ่งมีชีวิต และสิ่งไม่มีชีวิตเช่นบุรุษสตีสัตว์บ้านเรือนภูเขาต้นไม้เป็นต้นเมื่อได้เห็นด้วยยานว่ามีแต่รูปปรมัติ์ที่เกิดดับอย่างรวดเร็วก็จะเชื่อว่าเป็นไปตามที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างประกอบด้วยรูปปรมัติ์ที่เล็กกว่าอะตอม ที่นักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบรูปกระราบหน่วยที่เล็กที่สุดที่เรียกว่าโอชัตทะมักกะกระราปะคือรูปกระราบที่มีโอชาเป็นที่แปซึ่งพระพุทธองค์ตัดแสดงไว้ก่อนที่นักวิทยาศาสตร์จะค้นพบอะตอมในการเจริญนามกรรมาฐานเพื่อให้เห็นปรามาทสัจเของนามขัน พระพุทธองค์ทรงแสดงนามธรรมไว้ในอภิธรรมอันมีวิถีมุตตะคือสภาวธรรมที่เกิดนอกเหนือวิถีหรือปัสจาวิถีได้แก่ปฏิส่วนที่จิตผวังค์จิตและจุติจิตและสภาวธรรมของจิตที่เกิดดับโดยลําดับติดต่อกันเป็นวิถีเรียกว่าวิถีจิต พระพุองค์ทรงแสดงลำดับของจิตในแต่ละวิถีเรียกว่าจิตตะนิยามผู้ปฏิบัติต้องกำหนดดูทั้งจิตและเจตสิกของแต่ละจิตขณะทั้งวิถีมุตตะและในวิถีจิตของทวารหกทั้งอกุศลและกุศลทั้งการมาวัจระจิตดูปาวจระจิตอรูปาวัจระจิ ต, จจตโดย11อดในคือ อดีตอนาคตปัจจุบันภายในภายนอกหยาบละเอียดสามปันนีไกลใกล้จนได้เห็นตามจริงว่ามีแต่นามปรมาติเกิดดับอย่างรวดเร็วโดวยลำดับตลอดเวลาเป็นจริงตามที่พระพุทธองค์ตัดไว้เมื่อผู้ปฏิบัติทั้งชาวเมียนมาและนานาชาติ ได้รู้เห็นรูปนามปรมัทิตย์พร้อมทั้งเหตุปัใจจัยในสามการตามความเป็นจริงก็พอใจและมีกําลังใจจะปฏิบัติต่อไปขอเชิญท่านทั้งหลายมารู้เห็นปรมัทตยธรรมด้วยตนเองเมื่อได้รู้แจ้งเห็นจริงในพระธรรมคุณของพระธรรมก็จะปกปักรักษาผู้ปฏิบัติธรรมไม่ให้ตกไปเกิดในอบายภูมิอีก เร า, าพระภิสุและโยคีผู้ปฏิบัติที่ได้รู้เห็นพระธรรมตามความเป็นจริงล้วนมีความปีติสมานนัตทราบซึ้งในพระธรรมคุณที่ว่าเป็นสิ่งที่รู้ได้เฉพาะตนจริงๆผู้มีปัญญาจักสุก็จะสามารถรู้เห็นพระธรรมตามความเป็นจริงสมตามพระพุทธดารัสที่ว่าไม่มีผู้หญิงไม่มีผู้ชาย มีแต่รูปกับนามผู้ปฏิบัติที่รู้เห็นอริยสัจชื่อว่าเห็นพระพุทธเจ้าการเห็นพระพุทธเจ้าในที่นี้มิได้หมายถึงการเห็นระดับบัญญัติเป็นพระพุทธรูปตามที่เข้าใจค้าเคลื่อนกันไปเพราะเมื่อพระโพธิสัตว์สมณโคโดมตัสรู้อริยสัจสี่ด้วยพระองค์เองจึงได้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ดังพระพุทธดำรัสในวัคคะริสูตรว่าอย่าเลยวัคคะริร่างกายอันเปลื่อยเน่าที่เธอเห็นนี้จะมีประโยชน์อะไรดูก่อนวกะริผู้ใดแลเห็นธรรมผู้นั้นชื่อว่าย่อมเห็นเราผู้ปฏิบัติที่รู้เห็นอริยสัจจึงเป็นพุทธศาสนิกหรือพุท ธ, ธายาที่แท้ก็จะมีศรัทธาไม่หวั่นไหวในคุณพระพุทธ คุณพระธรรมและคุณพระอริยสงฆ์เป็นสรณะที่พึ่งอันกเกษมสูงสุดผู้ที่รู้เห็นรูปนามปรมัติ์โดยทัน่นทั่วดังกล่าวจึงจะเรียกว่าเห็นทุกขสัจจะแต่ถ้าจิตยังไม่ตั้งมั่นดีในอุปจารสมาธิหรืออปปนาสมาธิก็ไม่อาจจะอย่างรู้อริยสัจ ส, สี่ซึ่งลึกซึ้งปานีได้ ทำให้ไม่อาจจะระโมหะอวิชชาและไม่อาจข้ามพ้นอวิชโชคะได้อวิชชาหรือโมหะคือความเห็นผิดไปจากความจริงเห็นถูกเป็นผิดเห็นผิดเป็นถูกโมหะปิดบังไว้ไม่ให้รู้สัจธรรมตามความเป็นจริงเพราะมีอวิชชาจึงไม่รู้รูปนามปรมัติที่เป็นทุกขสัจจะ จึงไม่รู้ว่าทุกขสัจจะเป็นผลจากเหตุปัจจัยที่เป็นสมุทัยสัจจะเมื่อไม่รู้ไม่เห็นรูปนามขันห้ากับทั้งเหตุปัจจัยตามที่เป็นจริงก็จะเห็นผิดรู้ผิดว่าเป็นหญิงเป็นชายเช่นนี้เรียกว่าอาวิชชาเมื่อมองดูรอบๆตัวก็เห็นผู้ชายผู้หญิงสุนนัขะ ไก่นกเป็นต้นท่านทราบไหมว่าเพราะเหตุใดเราจึงได้เกิดเป็นชายเป็นหญิงเป็นมนุษย์เพราะเหตุใดจึงเกิดเป็นสัตว์ต้นเหตุก็คืออวิชาอัตมาจะยกกรณีตัวอย่างของผู้ปฏิบัติธรรมบางท่านที่ได้รู้เห็นด้วยยานว่ารูปนามในชาติปัจจุบัน เป็นผลจากเหตุปัใจจัยในอดีตชาติผู้ปฏิบัติธรรมสตีชาวเมียนมาท่านหนึ่งเป็นชาวเมืองหลวงที่มีการศึกษาดีหลังจากที่เธอสำเร็จการเจริญรูปกรรมฐานและนามกรรมฐานแล้วเธอก็ได้เจริญสมาธิใหม่แล้วจึงย้อนดูรูปนามปรมัติตย์เริ่มจากอดีตใกล้ตัว ค่อยถอยหลังไปตามลําดับจนถึงขณะปฏิสนธิในชาติปัจจุบันแล้วถอยหลังต่อไปที่จุติจิตของอดีตชาติที่แล้วซึ่งเกิดก่อนปฏิสนธิจิตของชาติปัจจุบันโดยไม่มีช่องว่างใดๆและย้อนต่อไปที่มรณะสัญญาชวณนะซึ่งเป็นขณะก่อนตายในชาติที่แล้ว เพื่อค้นหาเหตุปัจจัยของรูปนามในชาติปัจจุบันเธอได้เห็นภาพเหตุการณ์ขณะที่เธอกำลังถวายผลไม้แก่พระภิกษุด้วยกุศลจิตในอดีตชาติเธอเป็นสตรีชนบทที่ยากจนไร้าการศึกษาเธอขับแค้นไม่พอใจสภาพอันต้อยต่ำของตนขณะที่เธอกำลังถวายผลไม้แก่พระภิกษุรูปหนึ่ง เธอได้อธิษฐานว่าขอให้ได้เกิดเป็นสตรีที่มีการศึกษาดีในเมืองหลวงภาพกรรมขณะที่เธอกำลังถวายผลไม้แก่พระพิสุด้วยความปรารถนาจะเกิดเป็นสตรีที่มีการศึกษาดีในเมืองหลวงได้ปรากฏเป็นมรณสัญญาชวณนะชัดเจนรากับว่าเธอกำลังทำกรรมนั้นอยู่ซึ่งความปรารถนานี้ อันเป็นอารมณ์ที่จิตรับรู้ในขณะสุดท้ายก่อนตายได้ก่อให้เกิดผลตามความปรารถนานั้นในชาติปัจจุบันนี้และเธอได้เห็นเหตุปัจจัย5ประการของรูปนามขัน5ในชาติปัจจุบันคือ 1. อวิชาความไม่รู้อริยสัจมีความสำคัญผิดว่า ชีวิตหญิงที่มีการศึกษาดีในเมืองหลวงมีอยู่จริง 2. ตันหาความยากปรารถนาชีวิตหญิงที่มีการศึกษาดีในเมืองหลวง 3. อุปทานความยึดมั่นติดยึดชีวิตหญิงที่มีการศึกษาดีในเมืองหลวงสกุศลสังขารสภาพที่ปรุงแต่งใจให้ดี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 ของอวิชโชคะทิทโขคะและกามโมคะเป็นเพราะความไม่รู้อริยสัจส์่คือมีอวิชชาทำให้เกิดความยึดมั่นถือมั่นในความปรารถนานั้นคือชีวิตหญิงที่มีการศึกษาดีในเมืองหลวงเธอได้รู้ด้วยญาณว่าเหตุปัจจัยทั้งหคืออวิชชาตัณหาอุปาทานสังขาร กรรมในอดีตชาติทำให้เกิดผลคือเกิดเป็นสตรีที่มีการศึกษาดีในเมืองหลวงตามที่หวังไว้เพราะอาวิชชาเป็นโมหะปิดบังว่าความจริงมีแต่รูปนามปารมาสไม่มีชีวิตหญิงตันหาคือความอยากเป็นหญิงนั้นอุปาทานคือติดยึดชีวิตหญิงนั้นอวิชชาและตันหาจึงเป็นต้นเหตุให้มาเกิดอีก เธอจึงต้องจมอยู่ในกาโมคะนี้อวิชชาทำให้มนุษย์เราต้องประสบพยันตรายที่ไม่คาดคิดมากมายอัตมา จ, จะเล่าอีกเรื่องหนึ่งเพื่อให้ท่านเห็นความข้อนี้ได้ชัดเจนขึ้นพระศาสดาทรงสแสดงไว้ในคาถาธรรมบทว่าในแคว้นอนลากัปะเกิดทุกขพิกคภัยสามีพัญญาคู่หนึ่ง จึงเดินเท้าผ่านทะเลทรายแห้งแรงกันดาลจนสเสบียงหมดขาดทั้งอาหารและน้ำเหน็ดเหนื่อยอิดโร ย, ยหิวโหยมากเมื่อเดินทางมาถึงตะ ก, กูลของคนเลี้ยงโคแห่งหนึ่งก็โชคดีพบนายโคบานมีใจอ่อนโยนสงเคราะห์ให้เข้าปายาดกับในใสเป็นอันมากนายโกตูริกบริโภคมากไป ไม่อาจตัดความอยากในอาหารได้เพราะตัวหิวมาตั้งเจ็ดถึงแปดวันและเห็นนายโคบาลปั้นก้อนข้าวปลายาดให้แก่นางสุนักซึ่งนอนอยู่ใต้ต่างจึงคิดว่านางสุนักตัวนี้มีบุญจึงได้โภพชนะเห็นปานนี้เนืองนิดตกกลางคืนนายโกตุริก นั้นไม่สามารถจะยังเข้าไปญาตินั้นให้ย่อยได้จึงทาการะตายไปเกิดในท้องแห่งนางสุนักนั้นเหตุปัจจัยที่ทำให้ในายโกตุริเกิดเป็นสุนักมีดังนี้ 1. เพราะอาวิชชาความไม่รู้อริยสัจสําคัญผิดว่าชีวิตสุนักมีอยู่จริงจึงทำให้เกิดตัณหาอยากเป็นสุนักมีบุญเช่นนั้น 2. เพราะตัณหาอยากเป็นสุนักจึงทำให้เกิดอุปาทานยึดติดสามเพราะอุปาทานยึดติดชีวิตสุนักจึงทำให้เกิดอกุศลสังขาร 4. เพราะอากุศลสังขารสภาพที่ปรุงแต่งใจให้ชั่วติดใจชีวิตสุนัขจึงทำให้เกิดกรรมพลังกรรมจากเจตนาของอกุศลสังขารนั้น ด้วยเหตุปัจจัยดังกล่าวนี้จึงทำให้ในายโกตูริกต้องเกิดเป็นสุนักนักโทษในคุกแคบๆที่มีหน้าต่างเล็กๆ เ, เมื่อเห็นนกบินเป็นอิสระอยู่บนฟ้าก็อาจเกิดความคิดว่าเป็นนกน่าจะดีกว่าเพราะถูกบีบคั้นจากความทุกข์ในคุกถ้าหากว่าภาพนกที่เขาติดใจนั้น ปรากฏเป็นอารมณ์ที่จิตรับรู้ขณะก่อนตายก็จะส่งผลให้เขาต้องเกิดเป็นนกในชาติหน้าเป็นเพราะความไม่รู้อริยสั์คืออวิชชาทำให้เรายึดติดทั้งสิ่งที่ดีและเลวซามและปราณีตงามและน่าเกียดชีวิตสัตว์เดรัจฉานไม่มีแก่นสารเพราะมีแต่การสั่งสมอกุศลกรรม ค่ากันเพื่อความอยู่รอดทําให้ยากยิ่งที่จะหลุดพ้นจากอบายภูมิสีกับคิดว่ามีแก่นสารชีวิตมนุษย์มีแก่นสารเพราะสามารถสั่งสมบารมีเพื่อออกจากวัฏทุกได้กับคิดว่าไม่มีแก่นสารกรณีเหล่านี้เป็นอุทาหรณ์ให้ท่านทราบเหตุปัจจัยที่สร้างภพชาติใหม่ ทำให้ต้องติดจมอยู่ในสังสารวัฏโดยความไม่รู้เพราะเหตุนี้อัตมาจึงกล่าวว่ามนุษย์ต้องประสบพยันตรายที่ไม่คาดคิดเพราะอาวิชชาคือความไม่รู้อริย ส, สัจสีการรู้เห็นเหตุปัจจัยและผลคือรูปนามขันห้าที่เกิดขึ้นเนื่องจากเหตุปัใจจัยในสามกาลอาดีอนาคต ปัจจุบันเป็นปัจจยาปริคหายานเพื่อพิจารณารู้สภาวะธรรมที่เกิดขึ้นตามปฏิจจสมุปบาทที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงไว้ความรู้ความเข้าใจจากการเรียนกับการรู้แจ้งเห็นแจ้งนั้นแตกต่างกันอย่าคิดและเข้าใจว่าความรู้ที่ได้จากการเรียนคือการรู้แจ้ง ต้องมีความซื่อสัตย์ภาคเพียรปฏิบัติให้ได้รู้แจ้งเห็นแจ้งปรมัติสภาวะธรรมพร้อมทั้งเหตุปัจจัยโดยทั่นทั่วจึงจะเป็นการรู้แจ้งเห็นแจ้งที่แท้จึงจะทำให้ถึงที่สุดแห่งทุกได้กาโมคะพโวคะทิทโคะอวิโชคะ คือห่วงน้ำวนแห่งวะัฏะสงสารที่ทำให้สัพพสัตว์ถูกพัดพาไปตามกระแสความทยานยากแห่งกิเลสตัณหาจึงยากที่จะข้ามพ้นโอคะสีที่เปรียบเหมือนมหาสมุทรแห่งสังสารวัฏเทวดาและมนุษย์ติดจมอยู่ในกามสุขอยู่โดยปราศจากกามสุขไม่ได้สัตว์ในอบายภูมิสี ก็ทำนองเดียวกันส่วนติเหตุกะบุคคลคือผู้ที่ปฏิสนธิด้วยอโรพะอโทสะอโมหะจะสามารถบรรลุอัปปนาสมาธิได้แต่ถ้าเขาติดใจในฌานหรือรูปภพอรูปภพตัณหานั้นก็จะทำให้เขาไปเกิดในพมโรคต้องติดจมในกระแสแห่งพระโวคะ ยากจะหลุดพ้นจากสังสารวัตรได้เช่นกันแต่ละโอคะเกื้อหนุนและเสริมกำลังแก่โอคะอื่นๆทำให้อคะอื่นสกปรกขึ้นหรือทำให้เชี่ยวกรางมากขึ้นนี่คือความสัมพันธ์ของโอคะสี่การที่เรายึดมั่นถือมั่นเห็นผิดในรูปนามขันห้าว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเรียกว่า มีสักยะทิฏฐิทำให้ต้องวหาวนไม่อาจหลุดพ้นจากโอคาสีการที่จะสามารถหลุดพ้นจากโอคาสีได้ต้องปฏิบัติตามสิกขาสามคือศีลสิกขาสมาธิสิกขาและปัญญาสิกขาซึ่งเป็นพระพุทธโอวาทอย่างจริงจังแ น, แน่วแน่จนได้บรรลุพระโสดาปติมักพระโสดาปติผล จึงจะระศักยทิฏฐิได้หมดจดเด็ดขาดถึงตอนนี้เราได้ทำความเข้าใจความหมายของโอคะทั้งสี่แล้วและท่านเข้าใจในคําตรัสตอบของพระพุทธเจ้าแก่เทวบุตรนั้นหรือไม่เมื่อใดเรายังพักอยู่เมื่อนั้นเรายังจมอยู่โดยแท้ในคํากล่าวนี้เมื่อใดเรายังพักอยู่ หมายถึงการทำอกุศลทุจริตการทำกรรมชั่วโดยไม่เกรงกลัวต่อบาปด้วยกายทุจริตวจีทุจริตและมโนโทุจริตซึ่งนำให้ไปเกิดในทุคติอบบยภูมิได้แก่อกุศลกรรมบทสิบดังนี้กายทุจริตสคือการทำชีวิตให้ตกร่วงไม่ว่าสัตว์เล็กหรือใหญ่ การถือเอาของที่เขามิได้ให้โดยอาการขโมย ล, ลักทรัพย์การประพฤติผิดในกามวจีทุจริตสคือการพูดเท็จการพูดส่อเสียให้แตกแยกการพูดคำหยาบ ก, การพูดเพิเจอร์ไร้สาระมโนทุจริตสคืออภิชาคือเพ่งเร่งอยากได้ของเขา พยาบาทคือคิดปองร้ายผู้อื่นมิจฉาทิฏฐิคือเห็นผิดจากของธรรมเป็นความเห็นผิดที่ไม่นำไปสู่การพ้นทุกข์เช่นความเห็นผิดว่าการทำกุศลไม่มีผลการทำอกุศลไม่มีผลเห็นว่าทำดีไม่ได้ดีทำชั่วไม่ได้ชั่วมารดาปิดาไม่มีไม่เชื่อในกรรมและผลของกรรมเป็นต้น มนุษย์เราประพฤติผิดในทุจริตทั้งสามนี้มากเมื่อกล่าวถึงโลภะจะมีโลภะมานะและโลภะทิฏฐิเมื่อกล่าว ถ, นะถึงโทสะจะมีโทสะโทสะอิจฉาโทสะมัชริยะความตนี่และโทสะกุกุจจะความกุ้มใจในสิ่งดีงามที่ควรทําแต่ยังไม่ได้ทําและในสิ่งไม่ดี ที่ไม่ควรทำแต่ได้ทำไปแล้วเมื่อกล่าวถึงโมหะจะมีโมหะอุทจะความฟุ้งซ่านและโมหะวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยในกุศลธรรมทั้งหลายเป็นเหตุให้ไม่แน่ใจในปฏิปทาทั้งปฏิบัติธรรมของตนจิตของสรรพสัตว์จึงมักมัวหมองด้วยกิเลสเหล่านี้คือโลภะ โทสะและโมหะอยู่เป็นนิจตั้งแต่เกิดจนตายเมื่อสัพสัตถ์ถูกบงการด้วยกิเลสตัณหาจึงได้กระทำกรรมชั่วทางกายทางวาจาและทางใจผลแห่งกรรมชั่วจึงนำให้เกิดในทุกขติอบายภูมิสี่เป็นสัตว์ดีรฉานเรตอสุรกายสัตว์นรก นี่คือความหมายของคำกล่าวที่ว่าเมื่อใดเรายังพักอยู่เมื่อนั้นเรายังจมอยู่โดยแท้ชนีดเมื่อใดเรายังเพียรอยู่เมื่อนั้นเรายังลอยอยู่โดยแท้ในคำกล่าวนี้เมื่อใดเรายังเพียรอยู่หมายถึงการอยู่ด้วยกุศลกรรม การกระทำสุจริตทางทวารทั้งสคือกายสุจริตวจีสุจริตและมโนสุจริตการทํากุศลกรรมด้วยสุจริตธรรมคืออะโรภะอะโทสะอะโมหะย่อมส่งผลให้เกิดในสุขติภูมิเป็นมนุษย์เทวดาพรหมผู้ที่เป็นอยู่ด้วยสุจริตย่อมมีความเพียรในการทํากุศลกรรม นี้เป็นความหมายของคำว่าเมื่อใดเรายังเพียรอยู่เมื่อมีความเพียรพยายามทำแต่กุศลสุจริตอยู่เป็นเนืองนิดจึงทำให้ได้เกิดในสุขติภูมิเป็นมนุษย์เทวดาพรหมแต่ก็ยังคงติดวนอยู่ในกามโมคะและพโวคะเหมือนถูกพัดลอยไปในวัฏตตสงสาร นี้คือความหมายของคำว่าเรายังรอยอยู่ท่านจะเลือกทางใดทางจมหรือทางรอยเมื่อท่านพิจารณาทบทวนการกระทําที่ผ่านๆมาท่านก็จะทราบด้วยตนเองว่าท่านจะไปทางใดมากกว่ากันปาปะสมิงละมาตีมโนจิตนี้ชอบเพลิดเพลินหมกมุ่นในบาปอากุศล จึงประพฤติชั่วทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมดังพระพุทธดำรัสในคาถาธรรมบทปาปาวนันี้ในชีวิตประจำวันคนส่วนใหญ่มักทาสิ่งใดมากกว่ากันกุศลหรืออกุศลเรามักจะทากุศลน้อยกว่าแต่ทอาอกุศลมากกว่าใช่ไหมวนเวียนอยู่กับกิเลสคือโรพะโทสะ โมหะทิฏฐิมานะอิจฉามัชชริยะอุทจักกุกุจจะวิจิกิจฉาเหมือนเป็นเพื่อนเกิดเพื่อนตายในวัตตะสงสารจริงๆมักจะทำความดีได้เพียงบางครั้งบางคราวแต่ทำความชั่วได้เป็นประจำจึงดูเหมือนเป็นเพื่อนกับอกุศลนี้เป็นความจริงที่ปฏิเสธได้ยาก ทำไมมนุษย์มักชอบทำความชั่วเพลิดเพลินอยู่กับอกุศลกรรมได้อย่างไรหนอท่านทำกิจกรรมหรือการงานตั้งแต่เช้าจนถึงค่ำได้ตลอดวันก็เพราะได้ทำในสิ่งที่ท่านพอใจใช่ไหมถ้าพิจารณาดูงานที่ทำอยู่ก็จะเห็นว่าอยู่บนแรงจูงใจคือความอยากเป็นพื้นฐาน บางท่านก็แข่งแย่งกันด้วยความระโมบจนตัวสั่นก็มีบางท่านเวลาโกรธโทษสะแผดเผาสำแดงกิริยารุนแรงน่าเกียดทางกายวาจาน่ากลัวราวกับเป็นยักษ์เป็นมารบ้างก็แข่งดีกันด้วยมานะปะทะชนกันด้วยอิจฉามัชริยะแต่ก็ยังคงเพลิดเพลินสนุกสนาน กับบาปอกุศลอยู่ใช่ไหมผู้ที่ยังเพ้อเพลินอยู่กับอกุศลขอถามว่ารู้จักความแตกต่างว่าสิ่งใดเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลไหมถ้าเขาตอบว่ารู้จักขอถามต่อว่ารู้จริงๆแน่หรือทุกๆกวันที่ทำบา เขารู้ว่าเป็นอกุศลแล้วจริงทำหรือว่าไม่รู้จริงได้ทำนี่เป็นสิ่งที่น่าคิดน่าสนใจขอเชิญท่านพิจารณาว่าคนส่วนใหญ่พักผ่อนกันอย่างไรเต้นรำฟังเพงลงร้องคาราโอเกะดูลิเกดูหนังดูละครเป็นต้น เวลาที่นักสแสดงร้องไห้ก็ร้องไห้ตามหัวเราะก็หัวเราะตามโกรธก็โกรธตามเศร้าก็เศร้าตามจิตถูกกิเลสเผาไหม้ก็ไม่รู้ตัวพยายามหาความสุขใส่ตัวแต่กลับไม่สุขตามที่ต้องการครั้งหนึ่งมีผู้ทูลถามพระพุทธเจ้าว่าเพราะเหตุใดคนทุกคนปรารถนาความสุข แต่คนส่วนใหญ่กลับปราศจากความสุขพระพุทธองค์ตัดตอบว่าคนส่วนใหญ่ปราศจากความสุขเพราะความอิจฉาและความตนีบอกหน่อยได้ไหมใครหนอที่พยายามหาความสุขใส่ตัวแต่กลับไม่มีความสุขไม่สนุกสบายก็คือคนส่วนใหญ่ในโลกใช่ไหมเป็นเพราะกิเลสเหล่านี้ ทำให้คนส่วนใหญ่แสวงหาความสุขโดยไม่ใส่ใจสวัสดิภาพของผู้อื่นหรือทำแม้แต่สิ่งที่เป็นภัยต่อผู้อื่นแต่การแสวงหาความสุขในทางที่ผิดนั้นจะมีสุขเพียงประเดียวเดียวแต่จะต้องทุกข์มหันในอบายภูมิคนส่วนใหญ่มักไม่ทราบจริงๆว่าสิ่งที่ทำไปเป็นอกุศล เพราะเขาไม่สามารถแยกความแตกต่างได้ว่าสิ่งใดคือกุศลสิ่งใดคืออกุศลท่านอาจยังไม่เห็นด้วยที่อัตมาก่าวเช่นนี้ดังนั้นอัตมาขอถามคำถามต่ออีกสักสองสามข้อในตอนเช้าเมื่อท่านอ่านหนังสือพิมพ์หนังสือพิมพ์สอนอะไรแก่ท่านในตอนเย็น เมื่อท่านดูโทรทัศน์โทรทัศน์สอนอะไรแก่ท่านนี่ไม่ใช่เรื่องส่วนตัวสื่อต่างๆมีแต่มัวเมาให้เราโลภมากขึ้นมีแต่ปลุกเร้าให้เราเชื่อว่าการสแสวงหาและสนองกรรมสุขจะทำให้เราพบความสุขอีกทั้งก่อให้เกิดและเพิ่มพูนความรุนแรง ในการสนองความอิ่มใจในการมาสุขมักจะเจือปนด้วยความรุนแรงโดยสรุปก็คือเนื้อหาในหนังสือพิมพ์และโทรทัศนมีแต่ปลุกเร้าเพิ่มพูนความโรคความโกรธและความหลงผิดสิ่งเหล่านี้มีอิทธิพลที่ทรงพลังซึ่งทำให้คนจำนวนมากหลงทางและเดินทางผิด อันนำให้เกิดในอบายภูมิแต่ความผิดพลาดมาจากสิ่งที่สื่อมวลชนนำเสนอแก่เราได้หรือที่จริงแล้วสื่อเพียงแต่นำเสนอในสิ่งที่เขาต้องการและเขาคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีแต่ทว่าอะไรเป็นสิ่งที่ดีหรือเป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่ได้ขึ้นอยู่กับการตัดสินของเรา พระพุทธเจ้าทรงชี้ให้เห็นดังนี้ในหลายพระสูตรเช่นในสังยุตตนิกายสรายตนวัตคามณิสังยุตตารปุตตะสูตรดังนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระวิหารเวรุวันกรันทะกันิวาปะสถานใกล้พนครราชครึกคันนั้นแหล พ่อบ้านนักเต้นลําดาราผู้กํากับชื่อดังนามว่าตาระบุตรเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งคั้นแล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์เคยได้ยินคำของนักเต้นรําผู้เป็นอาจารย์และ ปรามาจารย์ก่อนๆกล่าวว่านักเต้นรำคนใดทำให้คนหัวเราะรื่นเริงด้วยคำจริงบ้างคำเท็จบ้างในถ้มกลางสถานเต้นรำในถ้มกลางสถานมหรสพผู้นั้นเมื่อกายแตกตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาผู้ร่าเริงในข้อนี้พระผู้มีพระภาคตรัสอย่างไร พระผู้มีพระภาคตรัสว่าอย่าเลยในคามนีขอพักข้อนี้เสียเถิดท่านอย่าถามข้อนี้กับเราเลยแม้ครั้งที่สองแม้ครั้งที่สามดาราผู้กำกับชื่อดังนามว่าตารบุตรก็ได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าอีกในข้อนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอย่างไร พระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูก่อนในคามณีเราห้ามท่านไม่ได้แล้วว่าอย่าเลยในคามณีขอพักข้อนี้เสียเถอดท่านอย่าถามข้อนี้กับเราเลยแต่เราจัพยากรณ์ให้ท่านดูก่อนในคามณีเมื่อก่อนสัตว์ทั้งหลายยังไม่ปราศจากราคะอันกิเลสเครื่องผูกคือราคาผูกไว้ นักเต้นรำรวบรวมเข้าไว้ซึ่งทำอันเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดในถ้มกลางสถานเต้นรำในถ้มกลางสถานมหรสพแก่สัตว์เหล่านั้นมากยิ่งขึ้นเมื่อก่อนสัตว์ทั้งหลายยังไม่ปราศจากโทสะอันกิเเรเครื่องผูกคือโทสะผูกไว้นักเต้นรำรวบรวมเข้าไว้ซึ่งทำเป็นที่ตั้งแห่งโทสะ ในถ้ำกลางสถานเต้นรำในถ้มกลางสถานโมหรสบแก่สัตว์เหล่านั้นมากยิ่งขึ้นเมื่อก่อนสัตว์ทั้งหลายยังไม่ปัสแจกโมหะอันกิเลสเครื่องผูกคือโมหะผูกไว้นักเต้นรำย่อมรวบรวมไว้ซึ่งทำอันเป็นที่ตั้งแห่งโมหะในถ้ำกลางสถานเต้นรำในถ้มกลางสถานโมหรสพ แก่สัตว์เหล่านั้นมากยิ่งขึ้นนักเต้นรำนั้นตนเองก็มัวเมาประมาทตั้งอยู่ในความประมาทเมื่อกายแตกตายไปย่อมบังเกิดในนรกชื่อปหาสะอันหนึ่งถ้าเขามีความเห็นอย่างนี้ว่านักเต้นรำคนใดทำให้คนหัวเราะดื้นเริงด้วยคําจริงบ้างคำเท็จบ้าง ในถ้ำกลางสถานเต้นรำในถ้ำกลางสถานมหรสพผู้นั้นเมื่อกายแตกตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาชื่อปหาสะความเห็นของเขานั้นเป็นความเห็นผิดดูก่อนในคามนีก็เราย่อมกล่าวคติสองอย่างคือนรกหรือกำเนิดสัตว์เดรัจฉานอย่างใดอย่างหนึ่ง ของบุคคลผู้มีความเห็นผิดเหตุผลที่ดารานักแสดงต้องไปเกิดในนรกชื่อปหาสะเพราะพวกเขาทำให้คนจำนวนมากเป็นสุขที่เจือด้วยกิเลสและเพิ่มพูนโลภะโทสะโมหะดังนั้นคุณข้อหนึ่งของ พ, พุทธศาสนาก็คือความรู้ที่ทำให้มนุษย์รู้ว่า อะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลนี่คือสัมมาทิฏฐิซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญยิ่งต่อประโยชน์สุขทั้งส่วนตนและผู้อื่นด้วยสัมมาทิฏฐินี้เท่านั้นจึงจะทำให้เรารู้ว่าจะก้าวเดินบนทางที่ถูกต้องได้อย่างไรตัวอย่างเช่นเมื่อดาราผู้กำกับชื่อดังตารบุตร ได้ยินพระผู้มีพระภาคเจ้าตัดดังนี้แล้วก็ร้องไห้สะอื้นน้ำตาไหลเสียใจที่ถูกนักสแสดงผู้เป็นอาจารย์ก่อนๆล่อลวงให้หลงผิดจึงตัดสินใจเลิอกอาชีพตนแล้วได้ทูลขอพระพุทธานุญาตอุปสมบทเป็นพระพิสุปฏิบัติกรรมฐานจนได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ในเวลาไม่ช้านัก ท่านที่ยังเพ้อเพลินอยู่กับอกุศลอาจเป็นเพราะไม่ทราบดีเรื่องของกุศลกับอกุศลบ้างอาจเป็นเพราะมีความรู้น้อยบ้างธรรมชาติของไฟนั้นร้อนคนที่รู้ว่าไฟร้อนย่อมไม่อยากจับแต่บางครั้งจับไฟเพราะลืมตัวก็มีเมื่อได้อ่านเรื่องนี้แล้วบางท่านคงจะเสียใจจนน้ำตาไหล การเดินทางในสังสารวัฏเรากับกิเลสสามัคคีอยู่ร่วมกันตลอดเรากับเป็นเพื่อนผู้ซื่อสัตย์จึงไม่สามารถแยกแยะได้ว่าสิ่งใดเป็นกุศลหรืออกุศลหรือว่าไม่สนใจจะรู้จะได้เพลิดเพลินสนุกสนานกับกิเลสต่อไปใช่ไหมเมื่อเรากับกิเลสแยกจากกันไม่ได้ จึงยังเพิดเพลินอยู่การยึดมั่นกับสักยทิฐิทำให้ถูกรนเผาด้วยไฟกิเลตแต่กับไม่รู้สึกว่าร้อนเรากับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเฉยๆอยู่การได้ยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราเป็นตัวเป็นตนของเราจึงสนุกเมื่อไม่มีเราไม่มีผู้ร่วมสนุกโลกก็จะไม่น่าอยู่ ไม่น่าสนุกใช่ไหมผู้ที่ไม่มีสัมมาทิฏฐิมักจะทำสิ่งต่างๆด้วยอวิชชาได้รากการมาสุขชื่อเสียงเกียรติยศกินเหล้าเล่นการพนันการทำตามอำเภอใจโดยไม่บัญญะบรร ญ, ญาตเช่นนั้นย่อมนำไปสู่ทุกข์มหันต์ในอบายภูมิในทางตรงกันข้ามผู้ที่มีสัมมาทิฏฐิ จะทำแต่กุศลกรรมเช่นการทำทานการรักษาศีลการเจริญเมตตาและกรุณาและการทำจิตให้บริสุทธิ์โดยปฏิบัติกรรมฐานสิ่งเหล่านี้จึงจะนำไปสู่ความสุขที่แท้